ทีนี้ในพระเวสสันดร น, นั้นเล่าว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าศรีวิมหาราชเนี่ยนะครองราชสมบัติในกรุงเชตุดรแคว้นศรีพีเนี่ยนะมีพระโอรสพระนามว่าสันชัยกุมารเมื่อสันชัยกุมาร น, นั้นทรงเจริญวัยพระเจ้าศรีวิราชก็เลยนํานางราชกัญญาพระนามว่าพุสดีเนี่ยนะผู้เป็นราชมารดาของเจ้ามัทราชมามอบ ให้เป็นราชสมบัติเนี่ยนะแกสันชัยกุมารแล้วก็แต่งตั้งพุดสดีเนี่ยเป็นอัครมเหสีคือลูกอายุสิบหกปีใช่ไหมก็ไปเอาลูกกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งนะกษัตริย์สายมัทราชก็แต่งงานทีนี้ก็เล่าถึงประวัติของพระนางพุดสดีสักนิดหนึ่งนะพุดสดีก็คือณนะชาตินี้ก็เรียกว่าพระนางสิริมหามายาใช่ไหมถอยลังอดีตชาติเรียกว่าพระนางพุดสดีทีนี้ก็เล่าถึงประวัติของพระนาง เรียกว่าบุรพประโยคก็คือบุญเก่าที่นางกระทําไว้ในปางก่อนถามว่าบุญเก่าที่นางทําไว้เนี่ยทำไว้เมื่อไหร่ถ้าจะว่าให้ตรงจริงๆแล้วพนางพุ้สเดีนี้ตั้งความปรารถนาเป็นพุทธมารดามาแสนกลับนี่น ะ, ะตำแหน่งใหญ่ๆนะเช่นเป็นพุทธมารดาพระพุทธบิดาเป็นพุ้ท่าอุปถาคเป็นต้นนะเพื่อนี้ต้องบำเพ็ญบารมีแสนกลับกันหมดนี่นะแต่ว่าของพนางพู้สเดีนั้น เฉพาะตรงนี้ไม่ได้ยกมาตั้งแต่เมื่อแสนกลับที่แล้วแต่ยกมาเฉพาะเมื่อเก้าสิบเอ็ดกัปนับแต่พัทธกัปนี้ถอยหลังไปว่าในเก้าสบเอ็ดกัปที่แล้วเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกในครั้งนั้นพระราชาพระนามว่าพันธุมาราสวยราชสมบัติในเมืองพันธุบดีที่จริงพระเจ้าพันธุมราชนี้ก็เป็น พุทธบิดานะเป็นพระพุทธเป็นบิดาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนั่นแหละทีนี้เมื่อพระวิปสัสสีศาสดาเนี่ยประทับอยู่ณนะเขมะมฤุกทายาวันอาศัยพันธุมดีนครในครั้งนั้นก็มีพระราชาพระองค์หนึ่งเนี่ยนะทรงสุวรรณมาลามีราคาหนึ่งแสนสุวรรณแปลว่าทองใช่ไหมมะลาก็ดอกไม้ระเบียบดอกไม้ก็ส่งระเบียบดอกไม้เนี่ยนะที่ทำด้วยทองเนี่ยมีมูลค่าแสนหนึ่ง กับแก่นจันทร์ที่มีค่ามากมาถวายแก่พระเจ้าพันธุมราชทีนี้พระเจ้าพันธุมราชนี้ก็มีราชธิดาอยู่สองพระองค์ด้วยกันเห็นไหมพระเจ้าพันธุมราชนั้นมีพระราชประสงค์จะประทานบรรณาการนั้นแก่พระราชธิดาเห็นไหมก็คือได้ของขวัญมานะคนอื่นเขาให้ของขวัญอย่างดีมาก็คิดถึงลูกสาวนะเพราะมีลูกสาวทั้งสองคนก็เลยจะเอาของบรรณาการนี้ให้ลูกสาวไปพระราชทานแก่นจำเนี่ยแก่พระธิดาองค์ใหญ่ ประทานสุวรรณมาลาเรียกว่าระเบียบดอกไม้ทองคําให้แก่ลูกสาวองค์เล็กราชธิดาทั้งสองนั้นก็เลยคิดว่าเราจะไม่นําบรรณาการนี้มาที่สรีระของเราคือจะไม่เอามาประดับเองหรอกเราจะบูชาพระาศาสดาเท่านั้นก็จะไปบูชาพระพุทธเจ้าพระนาม ว, วิปสัสสีพอคิดอย่างนี้ก็กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่เสด็จพ่อข้าพระบาททั้งสอง จะเอาแก่นจันทร์และสุวรรณมาลาบูชาพระทศพลจะบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยกำลังสิบพระเจ้าพันธุมราชพอฟังอย่างนั้นก็ประทานอนุญาตว่าสาธุเนี่ยนะอนุโมทนาเออดีแล้วว่างั้นราชธิดาองค์ใหญ่ก็บดแก่นจันเนี่ยนะละเอียดเป็นจุนก็คือเป็นผงอ่ะนะเอาแก่นจันเนี่ยมาบดเป็นผงบรรจุในพระอบทองคําแล้วก็ให้ถือไว้ส่วนราชธิดาองค์น้อยก็ให้เอาสุวรรณมาลานเนี่ยนะ เป็นมาลาเนี่ยปิดสซวงบรรจุพระอบทองคําแล้วก็ให้ถือไว้เนี่ยนะไอ้คาว่าปิดสซวงนี้ของมาก็ไม่ค่อยเข้าใจแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะหรือว่าพวกที่เป็นคล้ายๆกับเครื่องประดับคอรหรือเปล่าไม่ทราบนะปิดสซวงะนะแต่คงเป็นเครื่องแบบเป็นเป็นสร้อยคอที่ที่เป็นพวงดอกไม้มาประดับข้างหน้านะ อ, อ เสร็จแล้วก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปบูชาคือบรรจุด้วยพระอบทองคําให้ถือไวาราชธิดาทั้งสองก็ไปสู่มรุขคายาวันวิหารบรรดาราชธิดาทั้งสองนั้นองค์ใหญ่ก็บูชาพระพุทธสรีระซึ่งมีผิวเหมือนกับทองคําของพระทศพลด้วยผงแก่นจันเนี่ยนะเอาแก่นจันทร์ผงเนี่ยไปบูชาพระพุทธเจ้าโปรย ผงแก่นจันเนี่ยนะที่เหลือในบริเวณพระคันธกุตีบริเวณโปรยนะซึ่งว่าไอ้ผงอันนี้มันมีค่าสูงมากนะแก่นจันทเขาบอกแค่คืบเดียวมันมีราคาเป็นแสนนะนะเพราะฉะนั้นไอ้ผงอันนี้แสดงว่ามีค่ามากเขายกย่องแล้วก็เลยไปโปรยบูชาทั่วไปหมดแล้วก็ตั้งความปรารถนาปรารถนาว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญขอข้าพระ อ, องค์พึงเป็นแม่แห่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นเช่นกับพระ อ, องค์ในอนาคต คนหนึ่งเาปฎถน้าทั่วๆไปใช่ไหมเจ้านี้ปฎถน้าแปลกมากบอกขอเป็นแม่พระพุทธเจ้าแต่ว่าข้างหน้านะนะจึงว่าเออก็มีคนกล้าแบบนี้เหมือนกันนะปกติเขาก็ไม่ค่แบบเขาส่วนใหญ่ก็จะขอปรารถน้าเป็นสาวกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เจ้านี้มาแปลกบอกขอปรารถน้าเป็นแม่พระพุทธเจ้าในอนาคตแบบนั้นแล้วก็กล่าวเป็นคาถาว่าข้าพระพุทธเจ้าได้กระทาการบูชาพระองค์ด้วย ผงแห่งแก่นจันนี้ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นเช่นกับพระองค์ในอนาคตการด้วยเถิดเนี่ยนะตั้งความปรารถนาทีนี้ฝ่ายราชธิดาองค์เล็กเนี่ยนะก็บูชาพระเริระที่มีผิวเหมือนทองคำของพระพุทธเจ้าด้วยสุวรรณมาลาทำเป็นอภรณ์เครื่องปิดรวงแล้วก็ทำความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ขอเครื่องประดับนี้จงอย่าหายไปจากสรีระของข้าพระพุทธเจ้าตราบจนเท่าบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะบอกแสดงว่ารักเครื่องประดับอันนี้มากเพราะฉันไปที่ไหนก็ให้มีเครื่องประดับอันนี้ตลอดจนกว่าจะบรรลุนู่นแหละแล้วก็เปล่าเป็นคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าบูชาพระองค์ด้วยสุวรรณมาลาด้วยอำนาจพุทธบูชานี้ขอบุญจงบันดาลให้สุวรรณมาลามีที่สวงของข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาแก่ราชธิดาทั้งสองว่าก็เธอทั้งสองได้ปฏิสถานการบูชาอันใดแก่เราในพบนี้วิบากแห่งการบูชานั้นจงสําเร็จแก่เธอทั้งสองความปรารถนาเธอทั้งสองเป็นอย่างใดก็จงเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะปรารถนาเช่นใดก็ขอให้ผลเช่นนั้นสําเร็จแก่เธอเธอส์ราชธิดาทั้งสองนั้นก็ทําบุญอยู่ตลอดพระชนมายุเนี่ยนะก็ทําบุญจนตายอย่างั้นเถอะ ในที่สุดแห่งพระชนมายุเคลื่อนจากมนุษย์ก็ไปบังเกิดในเทวโลกในสองอ ง, งนั้นองค์ใหญ่เคลื่อนจากเทวโลกท่องเที่ยวไปยังมนุษย์โลกเคลื่อนจากมนุษย์โลกไปยังเทวโลกนะจากมนุษย์เทวดาจากเทวดาเป็นมนุษย์เนี่ยนะอาจจะแวบประเดรรชานบ้างก็ไม่ได้เล่านะแต่ว่าก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นผลบุญเนาะกําลังพูดเรื่องบุญอยู่จะเอาบาปมาแทรกทําอะไรเพราะฉะนั้นก็เอาแต่มนุษย์กับเทวดากันแล้วกันทีนี้ในที่สุด91กับเนี่ยนะ คือ91เนี่ยนะก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนถอยหลังไป91เอ็ดพอมาถึงตอนนี้ก็กลับที่91พอดีเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นพระพุทธมารดาพระนามว่ามหามายาเทวีฝ่ายราชกุมารีองค์เล็กก็ท่องเที่ยวอยู่อย่างนั้นในการเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสะบังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยนะก็เกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิกิราชนางนั้นเป็นราชกุมารีกาพานาว่าอุรัชทา เพราะความที่มีระเบียบแห่งเครื่องปิดสวงราวกบว่าทำด้วยจิตกรรมแล้วก็เกิดแก่พระสวงเนี่ยนะอันตบแต่งแล้วในการเมื่ออายุมีส6ปีเนี่ยนะอายุ 16, ส6พรรษาได้สดับย์พัฒตานุมโมทนาแห่งพระธาปคก็บรุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะทีนี้ในการต่อมาพระพุทธเจ้าเานะคือพระพระเจ้ากิกิเนี่ยนะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉัน แล้วก็พระ อ, องค์ก็แสดงไอพัตตานุโมธนาพระเจ้ากิกิก็บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนพระนางก็บรรลุเป็นพระทหันตอนหลังก็บวชเป็นภิกษุณีเนี่ย น, นะก็ดับขันปรินิพานนะน้ององค์เล็กก็ปรินิพานเรียบร้อยนะส่วนเจ้าพี่นี่มัวแต่ปาถนาเป็นพุทธมารดาตอนนั้นก็เลยยังไม่ทันได้บรรลุยังไม่ได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าเลยมาณเพราะฉะนั้นพระเจ้ากิกิราฟนี้ปกติก็มีลูกสาวคนอื่นอีกเจองค์เนี่ยนะคือ พระเจ้ากิกีนี่มีลูกสาวเนี่ยมากเช่นชื่อว่านางสมณีนางสมณะคุตตานางภิกษุณีนางพิคุทาสิกานางธรรมานางสุธรรมมาแล้วก็นางสังคทาสีเนี่ยเป็นที่7จริงๆก็พอมาในชาติหลังจะเป็นคนดังหมดเลยนะก็คือลูกสาวของพระเจ้ากิกีทั้งนั้นอย่างเช่นนะองค์ที่หนึ่งชื่อว่าสมณีก็คือพระนางเขมานางสมณะคุตตาก็คือนางอุบลวรรณานางภิกษุณีก็คือนางปตาจารา นางพิขุทาสิสิกาเนี่ยนะก็คือพระนางโคตมีเนี่ยนะพระนางโคตมีก็คือพระนานางอ่นะา น, า an น, นะส่วนานางธรรมทินนาเนี่ยนะก็คือนางธรรมมาในอดีตชาติส่วนานางสุธรรมมาก็คือพระนางมหามายาเนี่ยนะแต่ก็มีบางนายบอกว่าคำว่านางสุธรรมมาก็คือนางกุลฑนเกษีในชาตินี้บางนายก็บอกว่านางสุธรรมมาคือพระนางมหามายาเนี่ยนะ ส่วนนางวิสาขาเป็นที่เจชื่อว่าสังคทาสีเนี่ยนะก็คือนางวิสาขาคือพวกนั้นที่ไม่ได้บรรลุในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าปรารธนาจะมาบรรลุพระพุทธเจ้าองค์นี้เพราะเลยไม่ได้บรรลุกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนเนี่ยนะคือการตั้งความปรารถนาตำแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะถามว่าเป็นเครื่องกั้นไหมบอกเป็นคือคือสมมุตินะถ้าเหมือนกับว่า เราถ้ามัวแต่คอยตั้งโอ้ขอให้บรรลุาศาสนาพระศรีอารอย่างนี้นะสมมตินะยังไงชาตินี้ก็ไม่ได้บรรลุจนกว่าจะละไอความปรารถนาอ น, นันต์เสียเนี่ยนะคือคือเอางี้นะว่าละได้อาจจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุก็แล้วแต่ความเพียรนะนะแต่ว่าถ้าเพียรมากถ้ายังปรารถนาแบบนั้นยังไงก็ไม่ได้บรรลุเนี่ยนะมีมีหลายท่านแม้กระทั่งพระพิสุก็เหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มพระกุมารกัสปะกลุ่มพระพาหยะเนี่ยนะ เพื่อนๆ เ, เขาก็บรรลุกันไปแล้วแต่ว่าตัวเองไม่ได้บรรลุเพราะว่าตั้งความปรารถนาตําแหน่งเอตทัคคะซึ่งได้รับพุทธภยากรมาแล้วซึ่งก็บอกว่าใจมันไม่เอานะใจมันจะคอยบรรลุตอนนั้นางั น, นคล้ายๆเคยก็บอกาอาหารเขายกมาให้แล้วก็เออเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงหลังค่อยทานกันแล้วกันเนี่ยนะก็หิวอยู่เหมือนกันแต่ว่ารออีกหน่อยค่อยทานานี่ก็ได้ ทีนี้ฝ่าพูดถึงพระนางพุษดีเนี่ยนะที่ชื่อว่านางสุธรรมมาก็เป็นลูกถือว่าเป็นราชธิดาของพระเจ้ากิ๊กเหมือนกันนางก็ได้บำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นเป็นนางกุมาริกาชื่อว่าพุษฎีเพราะว่าผู้มีสรีระเหมือนกับบุคคลเนี่ยประพรมไปด้วยแก่นจันทแดงแสดงว่าผิวออกแดงๆเลยใช่ไหมผิวแดงเรื้อนะก็เลยเชื่อว่าพุษดีก็คือมีผิวออกแดงๆมานี ไม่รู้ว่าแดงงามขนาดไหนไม่ทราบน ะ, ะด้วยผลแห่งการบูชาด้วยผงแก่นจันทร์นางได้ทําแล้วแก่พระวิปัสสีเพราะฉนั้นเกิดมาเมื่อไหร่ก็อาผิวออกจะแดงหน่อยท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยต่อจากนั้นก็เป็นอัครมเหสีของเท้าส ก, กะเท ว, วราชเนี่ยนะก็ไปเป็นมเหสีของเท้าสกเท้าส ก, กะนี้ก็คือพระอนุรุทธะในอดีตชาตินั่นแนหะ ครั้งนั้นเมื่อบุพพานิมิต5ประการเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะจนชั่วอายุแห่งพระนางพูสดีคือก็ถึงจะเป็นเทวดานะยางว่าเทวดามันก็ไม่เที่ยงอะไรนะเพราะฉะนั้นบุพพานิมิตก็เกิดขึ้นแก่นางผูสดีบุพพานิมิต5อย่างของเทวดาจะตายก็คือ1ดอกไม้ประจําตําแหน่งนี่เหี่ยวปกตินะอย่างดอกไม้ของเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยจะตั้งอยู่36ล้านปีเนี่ยโดยไม่เหี่ยวเลย สามสิบหกล้านปีมนุษย์อ่ะนะจะเหี่ยวก็คืออีกเจ็ดวันจะตายจะเหี่ยวนะดอกไม้นี่เฉาไปเลยอย่างที่สองนะผ้าที่ปกตินะั่นนุ่งแล้วจะเป็นผ้าที่มีรัศมีออกงามมากผ้านี่ก็เศร้ามองลงปกตินี่เหงื่อไม่ออกเลยตามตัวไม่มีเหงื่อแม้แต่หน่อยเดียวเวลาใกล้จะตายนี่เหงื่อเหงื่อจะออกรักแล้ว่างนั้นเถอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผิวพันธุ์นี่จะเศร้ามองความชารานี่จะ ปรากฏเนี่ยนะชาราแล้วก็จะไม่ยินดีในที่พะอาจใครเคยไหมอยู่ในห้องแล้วอ่ะปกติห้องมันก็เย็นดีแต่ทําไมมันหุนหวยกวนกวายไม่รู้นะไม่อยากอยู่เลยนะก็ลักษณะแบบนั้นคะเรียกไม่ยินดีในที่พะอาจก็บอกว่านี่จะตายแล้วนะถอาวันท่านนีมิตรเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเจวันมนุษย์จะตายไม่ใช่เจวันเทวดานะอีกเจ็วันมนุษย์จะตายเท้าสักกะนี่ก็รู้แล้วว่านางผู้เสดีจนี้จะสิ้นอายุ ก็เลยพานางพู้เสด็เนี่ยไปที่สวนนันทวันอุทยานด้วยยศใหญ่ประทับนั่งบนที่นอนอันมีสิริถ้าจะว่าไปจริงๆเลยนะพระนางผู้เสด็เนี่ยไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองจะตายเนี่ยนะเพราะว่ามัวแต่เพลินตลอดเลยนะเป็นคนร่าเริงมัวแต่สนุกมัวแต่เพลินตลอดเพราะฉะนั้นนิมิต้ประการที่จะตายเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองจะตายเพราะฉะนั้นท้าสกะพอนั่งเสร็จเนี่ยนะอยู่ณที่นอนอันมีสิริประดับแล้วก็ ตรัดกับพระนางพู้สดีว่าแนะ่นางผู้สดีผู้เจริญเราจะให้พรสิประการแก่เธ อ, อฉันจะให้พรสิประการแก่เธอนะเธอจงรับเอาพอรสิประการเหล่านีานน้ก็แม้อนุญาตให้พรเลยทันทีท้าวส ก, ก่าเมื่อจะประทานพรก็เลยได้พาสิบประถมคาถาคาถาแรกในมหาเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรชาดกป ก, ปกปกติแล้วมีคาถาหนึ่งพันคาถา เนี่ยจะเข้าคาถาแรกเนี่ยนะแล้วก็หนึ่งพันเนี่ยเพิ่งเข้าคาถาที่หนึ่งคาถาที่หนึ่งเขบอกว่าดูก่อนนางผู้สตรีผู้มีรัศมีแห่งผิวพันธ์อันประเสริฐผู้มีอวัยวะเบื้องหน้างามเธอจงเลือกเอาพรสิบประการในแผ่นดินอันเป็นที่รักแห่งใจของเธอเนี่ยนะเธอจงเลือกเอาพรไปสิบอย่างนะเธอจะไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเธอเอาไปเลยพรสิบอย่างทีนี้ พอท้าส ก, ก่าบอกอย่างนี้บอกว่าสรุปว่าเธอนี่จงถือเอาพรซึ่งเป็นที่รักแห่งใจของเธอในนั้นสักสิบส่วนนะนะให้เลยสิบขอ้อพระนางพู้เสด็เนี่ยนะเทพกัญญาก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจุติเป็นธรรมดาไม่รู้ว่าจะตายแล้วนะก็เลยเพราะอะไรเพราะมัวแต่ประมาทนะนะดอกไม้มันงามมากก็เลยไม่ทันนึกถึงเรื่องตายเนื่งมัวแต่ชมดอกไม้เพลินมากก็เลยบอกว่าฆ่าแต่เทวราช ข้าพระบาทขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าพระบาทได้ทำบาปรกรรมอะไรไว้หรือฝ่าพระบาทจึงให้ข้าพระบาทจุติจากที่ประสถานที่น่ารื่นรมเหมือนลมพัดต้นไม้ใหญ่ให้หักไปฉะนั้นโอ้ยทำไมจึงให้ตายกันเนาะทำ้นทาบาปกรรมอะไรไว้นะเหมือนกับว่าคำสั่งทหารเลยนะฟังอย่างนี้เหมือนกับเอ๊ะพระอินนี้เป็นยังไงคิดอะไรนะทำไมจึงเหมือนกับสั่งฆ่าเราเลย เท้าส ก, ก่าก็รู้ว่านางเนี่ยประมาทนะไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะตายนะที่จริงเท้าสั ก, ก่าไม่ได้แช่งชักหักกระดูกสั่งให้ตายอะไรหรอกแต่ว่าก็ก็ทําตามหน้าที่ของสามีที่ดีไปเนี่ยนะก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้ทําบาปอะไรไว้เลยและเธอไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่เนี่ยนะเธอไม่ได้สรุปว่าเธอไม่ได้ทําบาปนะแล้วเธอก็เป็นที่รักของฉันมากแต่ว่าผลบุญของเธอนี้สิ้นแล้วเนี่ยนะบุญที่ทําให้เกิดใน ดาวดึงของเธอเนี่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวกับเธออย่างนี้ความตายนี่ใกล้เธอเธอจะต้องพลาดพลาดจากไปเพราะฉะนั้นเธอจงเลือกเอาพรสิบประการนี้จากเราผู้จะให้เนี่ยนะอนุญาตให้เลยสิบข้อนางผูสดีเทพกัญญาเนี่ยนะคาว่ากัญญานี่แปลว่า น, นางเนี่ยนะกัญญานะก็แปลว่า น, นางนั่นแหละคือผู้หญิงน่ะนะส่วนเทพก็คือเทพกัญญาก็คือนางนางสนางเทวดา น, นั่นแหละ พอได้ฟังคํานี้กับเทา้าส ก, ก่าก็รู้ว่าตัวเองนี้จุติแน่จุติโดยสับแปลว่าเคลื่อนพูดเป็นไทยๆว่าตายแน่ทีนี้เมื่อจะทูลขอพรจึงกล่าวว่าข้าแต่เทา้าส ก, ก่าผู้เป็นใหญ่ของเหล่าสัตว์ทั้งปว ง, งเหมือนนนะก็เทา้าส ก, ก่านี่เป็นใหญ่นะเป็นใหญ่ของดาวดึงจาตุมแล้วก็คุมมาถึงมนุษย์บงดูแลในส่วนไหนที่ดูแลเนี่ยนะ ก, ก็ดูมาถึงมนุษย์ด้วย นะผู้เป็นใหญ่วสัตว์ทั้งปวงถ้าพระองค์จะประทานพรแก่ข้าพระบาทไซนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะขอเลยพรสิบประการเนี่ยนะนางผู้สดีนี่ฉลาดนะั้นต้องตรวจดูเรียกว่าตรวจดูมนุษย์ให้มันดูก่อนะนะเสร็จแล้วก็บอกข้าพระบาทพึงอยู่ในราชนิเวศของพระเจ้ากรุงศรีพีนั้นเนี่ยนะคือขอเป็นอัครมหเหสีของเมืองนั้นงนั้นนะอันนี้ขอพอรเป็นอันดับแรกข้อที่สองบอกว่า ข้าแต่เท้าปุริน ท, ทะเนี่ยนะข้าพระบาทพึงเป็นผู้มีจักษุ ด, ดำเหมือนกับตาลูกมฤคีที่มีดวงตาดำก็บอกว่าขอให้มีตางามเหมือนกับตาลูกเนื้อที่มีอายุหนึ่งปีเนี่ยนะอันนขอแรกก่อนขอเป็นมเหสีใช่หข้อสองขอให้มีตาดำเหมือนกับตาลูกเนี่ยนะเหมือนกับตาเนื้ออายุปีหนึ่งแ่บนั้นข้อสามก็บอกพึงมีขนคิ้วดำแบบนั้น คิ้วดำข้อสบอกว่าพึงเกิดในราชนิเวศโดยชื่อว่าพุสดีเนี่ยนะคือเกิดไปแล้วก็ยังชื่อตามเดิมนะนะไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้พุสดีเนี่ยนาะชอบชื่อนี้หมดกข้อหบอกว่าพึงได้โอรสผู้ให้สิ่งอันเลิศประกอบด้วยความเกืือกูลแก่ยาจกไมตรีอันพระราชาทุกประเทศบูชามีเกียรติมียศคือขอให้ลูกเป็นนักให้เหมือนกันเถอะลูกนี้ต้องเป็นลูกที่ชอบให้ที่สุด แล้วก็เป็นใหญ่มากแล้วก็ทุกคนต้องบูชาลูกเหมือนันนะนะอันนี้ข้อห้าก็ขอลูกข้อหกเมื่อค่าพระบาททรงคันท้องก็อย่านูนขึ้นมีท้องไม่นูนเส ม, มอเหมือนกับคันสอนที่นายช่างเนี่ยนะเราเนี่ยเกลาเกลี้ยงฉะนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าท้องไม่นูนเห น, นเถอะเวลาท้องก็ท้องไม่นูนข้อที่เจ็บอกว่าทันทั้งคู่ของข่าพระบาทอย่าหย่อนยานยานนะ อันนี้คงเข้าใจนะถันไม่ยอมยานไม่ต้องอธิบายก็ครับข้ต่อไปนะผมงอกก็จะได้มีขอผมจะได้งอกไม่ต้องยอมมันทุลีก็อย่าพึ่งติดในกายเนี่ยนะก็คือฝุ่นไม่เปื้อนไม่เปื้อนฝุ่นมางงันข่าพระบาทข้อสิบนะพึ่งปลดปล่อยนักโทษประหารได้ก็คือ บอกว่าเป็นผู้สา ม, มารถปล่อยโจรผู้กระทำความผิดต่อพระราชาถึงโทษประหารด้วยกำลังของตนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นใหญ่บางท่นเถดดูท่าจะขอเป็นใหญ่กว่าพระราชาพระราชาสั่งค่ามเหสีบอกอย่าฆ่าเลยก็เชื่อต้องเชื่อนะเพราะฉะนั้นเอาไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่างั้นก็ขอเป็นใหญ่ขนาดนั้นนงั้นเพราะฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระบาทพึ่งได้เป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าสีวี ในราชนิเวศอันกึกกล้องไปด้วยเสียงร้องของนกยูงและนกกระเรียนพรั่งพร้อมไปด้วยหมูนารีผู้ประเสริฐเกลื่อนกล่นไปด้วยคนเตี้ยและคนคอมอันพ่อครัวชาวมาคตบอกเวลาบริโภคอาหารกึกกล้องไปด้วยเสียงกรอนและเสียงบานประตูอันวิจิตมีคนเชิญให้ดื่มสุราและกินกับแกล้มบางนนันนะมีชาดกในเรื่องนี้ที่พูดถึงเรื่องสุราค่อนข้างบ่อยหน่อ ย, อยพอจะสรุปได้ว่า ก่อนจะตายพระนางผูสดีขอพรสิอย่างว่างั้นเถอะขอ1ขอให้เป็นพระอัคราเมหสีข้อสองขอให้มีตาดำข้อสมีขนคิ้วดำข้อสีมีชื่อว่าภูสดีข้อ5นะขอให้มีลูกชายข้อ6มีคันแล้วก็ไม่โนูนข้อ7ถันไม่คล้อยผมไม่งอกข้อ8ข้อ9ก็ผิวละเอียดข้อ10ปล่อยนักโทษได้เท้าสกะเทวราชพอฟังดังนั้นก็ตรัสว่า นางผู้งามทั่วองค์พรสิบประการเหล่าใดที่เราให้แก่เธอเธอจงได้พรเหล่านั้นทั้งหมดในแวดแควนของพระเจ้าศรีวิรัติเนี่ยนะไปเ ธ, เธอจะได้สมพรน่ยนะท้าสก่านี้ตรวจดูแล้วคือการให้พรเนี่ยนะมันจะให้ได้กับคนมีบุญเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าท้าสก่าเป็นคนเนรมิตรพรอันนั้นให้หรอกก็นางผู้เสด็เนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าด้วยแรงแห่งบุญเนี่ยอธิษฐานอย่างนี้ก็ก็สําเร็จอยู่แล้วเนี่ยนะ ท้าวาสวะมคะสุชมบดีเทวราชโห ค, คื อ, อท้าวสากาศนี่เ็ามีหลายชื่อนะชื่อว่าวาสวะก็ได้มคะก็ได้สุชมบดีก็ได้สุชมบดีนี่แปลว่าสามีของนางสุชาดาเนี่ยนะก็ตรัสอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนาประทานพรแกนางพุษ ด, ดีเทพอับสรนเนี่ยนะนางก็มีใจยิ้มแป่เลยนะมีความสุขมากเนี่ยนะไ ด, ได้พรสิบอย่างว่าสำเร็จแม่นะ ถึงจะตายจากเทวดึงก็ไม่อะไรแล้วใช่ไหมได้ตั้งไปทั้งสิบข้อแล้วขอเป็นราชินีอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ต้องขอเลยนะซับเนาะแต่แหวนเงินทองไม่ต้องขอนะเพราะเป็นราชินีแล้วก็มีหมดแล้วเนาะทั้งหมดที่กล่าวไปนี่ถือว่าจบแล้วหนึ่งกันเนี่ยนะหนึ่งกันนะนนนะตั้งแต่เขาเรียกว่าการแรกเขาเรียกทศพรกถาเนี่ยนะหรือว่าทศพรกันแปลว่าการอ่ากันว่าด้วย เรื่องพอรเนี่ยนะประนางพู้สดีขอพอรสิบประการจากเท้าสักกะอันนี้จบแล้วหนึ่งกัน